50 languages. 24 24 n a t การนัดหมาย La cita. คุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าคะ Casper doot la u t o b u s ดิฉันรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะ ที่สเปรัสดุรันมิดจ i ร์ด้าคุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือคะโนเปอร์เทสอลมอเครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะคะสิเกสพุนตัวล่าพร็อกซิมาบครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะคะเพรนุนแท็ a ซี่ a าพร็อกซิมาครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะคะ อ m porto ตุนไปให้กู a ลาพรุ่งนี้ว่างกันดพรุ่งนี้ดิฉันหยุดค่ะดามัสติกยูดาพรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมคะปูเดนเวอร์นส์ดามขอโทษค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ค่ะอันสับเร็วดามาโนปุสุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทำหรือยังคะ มีนัดแล้วค่ะอย่าสกัด a ั้มบอลกูดิฉันเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์ o p o s o que ens vegem aquest cap de set s e t เราไปปิกนิกกันดีไหมคะ n ก็ตแซมเราไปชายหาดกันดีไหมคะ คิดเส้นแบบสียันเเอาลาปัจเราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมคะคิดเส้นแบบสียันเเอมาลามุนตัดิฉันจะไปรับคุณที่ทำงานบินกบูส卡尔อุฟิสินาดิฉันจะไปรับคุณที่บ้านบินกบู a กาคาซาดิฉันจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสาร a d vinc a buscar a la parada d'autobús.